สิทธิครอบครองที่ดินสำหรับสิทธิในการครอบครองผืนดินอันเป็นที่ตั้งของตัวบ้านนั้นดังที่ข้าพเจ้าได้เคยกล่าวมาแล้วคือย่อมเป็นของผู้เป็นเจ้าของบ้านนั่นเองเมื่อตัวบ้านจะรับการขยายออกไปผืนดินบริเวณที่แวดล้อมก็ขยายออกไปเป็นลำดับดังนั้นตัวอาคารยิ่งใหญ่และกว้างขวางออกไปเพียงใดบริเวณที่ว่างที่ล้อมรอบอาคาร ก็ต้องกว้างออกไปตามสวนการที่จะให้ตัวอาคารกว้างขวางตั้งอยู่ในพื้นดินที่ไม่มีบริเวณว่างเสียเลยนั้นย่อมเป็นการขัดในตาและทำให้เกิดความรู้สึกอึดอัดอย่างยิ่งตัวอาคารทุกอาคารจะตั้งอยู่ภายในบริเวณที่มีที่ว่างอันกว้างขวางพอที่เราจะเดินเล่นได้อย่างสบายบริเวณที่ว่านั้นก็จัดทเป็นสวนหรืออุทยานอันสวยงาม ซึ่งใครๆจะเข้าไปเดินชมเล่นก็ได้โดยไม่มีการห่วงห้ามไม่มีกฎข้อบังคับจุกจิกว่าจะต้องทําอย่างโน้นอย่างนี้และห้ามไม่ให้ทําอย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีการยืนยันหรือห่วงสิทธิ์ในพื้นดินไม่มีป้ายปิดประกาศห้ามเพราะอันที่จริงก็ไม่ทราบว่าจะมีการห้ามเรื่องอะไรและควรจะห้ามใครผู้เป็นเจ้าของอาคารย่อมรู้ดีว่า จะไม่มีการบุกรุกเข้ามาจากใครๆเลยในภูมินี้รอทุกคนในที่นี้ก็ย่อมมีความเคารพในสิทธิอันสมควรของกันและกันอยู่เป็นพื้นฐานของจิตใจด้วยการทุกท่านแล้วมิฉะนั้นก็จะเข้ามาสู่สถานที่นี้ไม่ได้อยู่เองทัศนียภาพอันสวยสดงดงามแวดล้อมไปด้วยไม้ยืนต้นและไม้ดอกน า, นานาชนิดเช่นนี้ ในเมื่อเราเข้าไปเดินทอดน่องอยู่นั้นจะทําให้เรารู้สึกเหมือนว่าเป็นดินแดนแห่งความฝันหรือเทพนิยายฉะนั้นเราอาจจะนั่งพักอยู่ใต้ร่มไม้ชมฝูงกวางซึ่งจะคุ้นเคยกับพวกเราเป็นอันดีเพราะมันรู้ว่าจะไม่มีอันตรายอย่างใดแก่มันเลยมันจะพากันเข้ามาใกล้ๆเราด้วยความสนิทสนมเพราะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของภูมิประเทศอันงดงามดูดความฝันเหมือนกัน คำอธิบายเพิ่มเติมจากอาจารย์พรรัตนสุวรรณหมายเหตุข้อที่9ถ้าจะพูดว่าในโลกที่มีต้นไม้มีแม่น้ำลำทานมีภูเขาชาวพุทธโ ด, ดยทั่วไปที่เชื่อในเรื่องสวรรค์ตามที่กล่าวไว้ในคำพีพระพุทธศาสนาอยู่แล้วนั้นก็จะไม่มีใครสงสัยเพราะในทางพระพุทธศาสนาก็มีการกล่าวถึงต้นไม้เช่นต้นปาิชาดเขาไกลลาด สาอนดาตอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าหากพูดว่าในแดนสวรรค์ก็มีสัตว์เดรัจฉานอยู่ด้วยชาวพุทธโ ด, ดยทั่วไปจะเกิดความสงสัยทันทีเพราะคิดว่าสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์ชั้นต่ำจัดอยู่ในจำพวกอบายภูมิจะไปเกิดอยู่ในสุขติภูมิได้อย่างไรการที่ในหนังสือโลกทิพกล่าวว่าในสุขติภูมิมีกวางและในบางตอนของหนังสือเล่มนี้ ก็มีการกล่าวถึงนกและเสือด้วยก็ยิ่งทำให้สงสัยมากขึ้นทั้งจะทำให้รู้สึกว่าเรื่องนี้ต้องเป็นนิยายแน่ๆไม่ใช่เรื่องจริงการศึกษาทำด้วยการยึดถือเอาเฉพาะแต่ข้อความที่กล่าวไว้ในคำภีเรื่องใดถ้าหากไม่มีกล่าวไว้ก็ถือว่าเรื่องนั้นผิดการศึกษาในลักษณะเช่นนี้จะสร้างความเข้าใจผิดให้เกิดขึ้นได้อย่างมากมาย เพราะว่าเรื่องราวต่างๆที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้นั้นแต่และเรื่องเป็นแต่เพียงบางส่วนหรือบางตอนเท่าที่จำเป็นจะต้องตรัสในขณะนั้นถ้าหากเรื่องใดเกินความจำเป็นหรือไม่เหมาะแก่ผู้ฟังพระองค์ก็จะไม่ตรัสถึงทั้งที่เรื่องที่ควรจะตรัสนั้นยังมีอีกมากด้วยเหตุนี้ถ้าเราจะมาโมยึดถือเอาเฉพาะแต่ข้อความเท่าที่มีกล่าวไว้หรือเท่าที่เคยพบเห็นมาในคำภีเท่านั้น จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะไม่ทำให้ความคิดของเราแคบลงไปมากสัตยรชานในสุขติภูมิควรจะมีได้หรือไม่ข้าพเจ้าคิดว่าควรจะนึกเปรียบเทียบกับสัตยรชาเช่นสุนัขแมวหรือนกบางตัวที่ได้มีโอกาสอยู่ในราชสำนักในบ้านเศรษฐีหรือในบ้านผู้ดีทั้งหลายสัตว์เหล่านี้โดยกำเนิดก็จัดอยู่ในจำพวกอบายภูมิ แต่เหตุจะไหนจึงไปอยู่ปนกับมนุษย์ได้และมันก็มีความสุขมีความปลอดภัยส่วนสัตว์พวกเดียวกันซึ่งมีจำนวนอีกมากมายทำไมไม่ได้อยู่ในฐานะเช่นนั้นตามหลักของเราก็มีอยู่ว่าในโลกมนุษย์นี่เองก็มีมนุษย์ที่เป็นสัตว์นรกมนุษย์ที่เป็นเปรตมนุษย์ที่เป็นอสุรกายและมนุษย์ที่เป็นสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ที่จัดว่าอยู่ในอมยภูมเหล่านี้ ก็ยังมี ป, ป่าปนอยู่ในโลกนี้ได้จงสังเกตว่าในโลกนี้มีสุขติบุคคลทุกภูมิเช่นพระพุทธเจ้าก็อยู่ในโลกนี้ได้พรหมหรือเท พ, พเจ้าทั้งหลายก็อยู่ในโลกนี้ได้เทวดาทุกชั้นก็อยู่ในโลกนี้ได้หลักอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ผู้รู้ทั้งหลายยอมรับกันอยู่แล้วเรื่องอย่างนี้ไม่สงสัยบ้างหรือว่าทาไมพวกอมายภูมิ จึงมาอยู่ในถิ่นของพวกสุขติภูมิได้แต่อย่างไรก็ดีเราจะสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งว่าสัตว์เดรัจฉานประเภทที่มีโอกาสจะได้ไปอยู่ในราชสำนักหรือในบ้านเศรษฐีได้นั้นจะต้องเป็นสัตว์ที่มีลักษณะพิเศษคือมีความดีหรือความฉลาดสูงกว่าสัตว์ในจำพวกเดียวกันและคนที่จัดววาอยู่ในประเภทอมายภูมิ ถ้าหากจะได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในบ้านเดียวกันหรือในถิ่นเดียวกันกับผู้ที่จัดว่าเป็นผู้ที่อยู่ในสุขติภูมินั้นก็จะต้องเป็นคนที่ไม่ร้ายจนเกินไปคือถึงแม้จะมีความเลวอยู่ในตัวหลายอย่างแต่เขาก็มีความดีอยู่หลายอย่างพอที่จะทำให้คนดีทั้งหลายเกิดความเมตตาหรือให้อภัยได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรที่จะสงสัยว่าสัตเดรัด า, านจะเข้าไปอยู่ในสุขติภูมิได้อย่างไร คำภีธรรมบทซึ่งเป็นคำภีที่รู้กันแพร่หลายมีกล่าวถึงช้างเอราวัณซึ่งเป็นพาหนะของพระอินเข้าใจว่าผู้แต่งเกรงว่าการที่ช้างซึ่งเป็นสัตยราชานมีอยู่ในสวรรค์นั้นจะเป็นการผิดหลักท่านจึงได้อธิบายว่าช้างเอราวัณที่ว่านี้ไม่ใช่ช้างจริงๆแต่เป็นช้างที่เทพบุตรแปลงตัวชั่วคราวเพื่อให้เป็นพาหนะของพระอิน และในคำพีธรรมบทอีกเหมือนกันมีกล่าวถึงเรื่องนกกระยางซึ่งเมื่อชาติก่อนเป็นคนและเคยเป็นมเหสีของพระอินทร์ซึ่งเมื่อสมัยยังเป็นคนมีชื่อว่ามัคคามานพพระอินทร์ระลึกชาติได้จำได้ว่านกกระยางตัวนี้คือนางสุชาดาจึงได้ไปหาและพูดจา ก, กันหลายอย่างจนกระทั่งในที่สุดพระอินทร์ได้พานกกระยางมาดูสวรรค์เพื่อจะได้พบกับเ พ, เพื่อนในสมัยที่เป็นคนด้วยกัน เรื่องในทำนองนี้มีหลายเรื่องแต่คนส่วนมากแม้ที่เป็นชาวพุทธเองก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนิยายไม่ใช่เรื่องจริงสำหรับข้าพเจ้าไม่ได้คิดว่าเรื่องนี้จะจริงหรือไม่จริงแต่ที่ข้าพเจ้าสนใจเรื่องนี้ก็เพราะทามิข้าพเจ้ารู้ว่าพระพุทธโคสาอาจารย์ซึ่งเป็นผู้รวบรวมคำอธิบายพระไตรปิฎกที่เรียกว่าอัฏกถานั้นท่านมีความเห็นอย่างไรจากเรื่องที่ท่านเขียนไว ทำให้เรารู้ว่าตามความเข้าใจของท่านสัตว์เดรัจฉานก็มีโอกาสที่จะอยู่ในสวรรค์ได้เหมือนกันถึงแม้จะเป็นชั่วครั้งชั่วคราวก็ตามตามในหนังสือโลกทิพย์นี้ได้เคยมีกล่าวไว้ว่าผู้ที่อยู่ในภูมิสูงจะลงมาเยี่ยมชั้นตามย่อมทำได้หลักอันนี้ก็เป็นหลักความจริงอันหนึ่งแต่ก็ต้องเข้าใจให้ถูกว่านั่นเป็นหลักเกณฑ์โดยทั่วไป ไม่ใช่หมายความว่าในสุคติภูมิบางภูมิซึ่งผู้ที่อยู่ในภูมิเดียวกันนี้ย่อมจะมีนิสัยใจคอความนึกคิดใกล้เคียงกันนั้นจะไม่มีพวกตํตๆปะปนอยู่ด้วยในคำภีพระพุทธศาสนาก็ยังมีกล่าวถึงว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งเป็นที่อยู่ของพระอินนั้นพวกอสูรซึ่งจัดววาอยู่ในพวกอมยภูมเคยอยู่มาก่อนและพวกอสูร ก็ยังเคยยกกองทัพมาจากเมืองของตัวเองซึ่งอยู่ใต้บาดาลมารบกับพระอินทร์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงการที่ข้าพเจ้าอ้างเอาเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาไม่ได้หมายความว่าข้าพเจ้าจำเป็นต้องเชื่อตามเรื่องเหล่านี้ด้วยแต่ที่ข้าพเจ้าอ้างมาก็เพื่อต้องการให้แง่คิดแก่ชาวพุทธที่มีนิสัยชอบคิดว่าถ้าเรื่องใดผิดจากหลักในพระพุทธศาสนาแล้วเรื่องนั้นเป็นต้องผิด ก่อนที่เราจะว่าของเขาผิดเราก็ควรจะนึกถึงเรื่องของเราไว้บ้างแต่อย่างไรก็ดีการเขียนเรื่องสัตว์เดรัจฉานในสุขติภูมินี้ข้าพเจ้าก็ได้เรียนถามโอปปปติกะท่านหนึ่งท่านได้กรุณาอธิบายให้ฟังว่าพวกสัตว์เดรัจฉานตามที่กล่าวไว้ในหนังสือโลกทิพย์ซึ่งเป็นพวกที่อ่านใจคนได้รู้จักใจคนและแม่ดุร้าย แม้จะเป็นเสือหรือเป็นสุนัข ก, ก็ตามทั้งนี้เป็นเพราะว่าพวกสัตว์เหล่านี้มาจากมนุษย์ไม่ใช่มาจากสัตว์เดรัจฉานในโลกมนุษย์มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในโลกของโอปปาติกะเพราะถ้าเป็นสัตว์แท้จิตใจนั้นยังต่ำอยู่มากซึ่งเมื่ออยู่ในโลกของมนุษย์ก็ไม่อาจจะเข้าใจความคิดของมนุษย์ได้นั้นพวกนี้เมื่อตายจากโลกมนุษย์มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในโลกของโอปปาติกะก็จะมีนิสัยสันดานเหมือนเดิม และจะมาอยู่ในสุขติภูมิไม่ได้สภาพของสัตว์เดรัจช์ในภูมิตามนี้จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับในโลกมนุษย์อยู่มากและท่านอธิบายให้ฟังอีกว่าสัตว์เดรัจช์ในสุขติภูมิที่ว่ามาจากมนุษย์นั้นโดยปกติมนุษย์เหล่านี้พื้นเดิมก็เป็นคนใจบุญมีเมตตาการุณาแต่ในขณะที่จะตายจิตเกิดเป็นอกุศล จึงต้องมาเกิดเป็นสัตว์เดรชานและที่ได้มาเกิดอยู่ในสุขติภูมิก็เพราะวิบากของกุศลที่เขามีอยู่ในสันดานนั้นโดยธรรมดาควรจะส่งให้เข้าไปอยู่ในภูมิไหนเขาก็จะอยู่ในภูมินั้นท่านเน้นว่าถ้ามาจากสาัตว์เดรชานจริงๆแล้วจะอ่านความคิดหรือรูปความต้องการของโอปปาติกะที่เป็นคนที่อยู่ในภูมินั้นไม่ได้ เหตุผลที่ท่านอธิบายมานี้เป็นความรู้ใหม่สําหรับข้าพเจ้าและน่าฟังมากในคำพีพระพุทธศาสนาของเราก็มีกล่าวไว้ว่าพระนางมาลิกาพระมเหสีของพระเจ้าประสเสียนที่โกศลได้ทําบุญมากมายแต่พอเวลาจะจุดติจิตเกิดเป็นอกุศลจึงได้ไปเกิดอยู่ในนรกเสด็จวันตามเวลาของโลกมนุษย์หลังจากนั้นก็ไปเกิดในสวรรค์ ท่านอธิบายอีกว่าสัตว์เดรัจฉานในสุขติภูมิที่มาจากมนุษย์นั้นอาจจะอยู่ในกำเนิดนี้นานก็ได้หรือไม่นานก็ได้ทั้งนี้ก็สุดแล้วแต่วิบากที่เขามีอยู่จะส่งผล น, นานหรือไม่นานถ้าหากคนใดเมื่อไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วรู้สึกมีความพอใจในภาวะของตัวความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงไม่เกิดขึ้นซึ่งก็เนื่องมาจากวิบากของอกุศลบรรดาลให้เห็นดีเห็นชอบไปอย่างนั้น ในกรณีอย่างนี้ก็อยู่นานหน่อยแต่ถ้าหากผู้ใดเกิดสานึกได้ว่าแม้ตนเองนจะมีความเป็นอยู่สุขสบายแต่ก็ไม่พอใจในภาวะของตัวคล้ายๆกับคนบางคนในโลกนี้เป็นคนมีเงินมีความเป็นอยู่สุขสบายแต่ก็เบื่อในความเป็นอยู่อย่างนั้นต้องการที่จะเลื่อนฐานะทางจิตใจให้สูงขึ้นจึงได้หันเข้าวัดหรือไปศึกษาไปทางานอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ทำให้ตนเองรู้สึกว่าชีวิตมีค่าขึ้นถ้าหากคนใดที่ไปเกิดเป็นสัตยรชาลแล้วมีความรู้สึกคล้ายอย่างนี้ก็จะพ้นจากกำเนิดนั้นได้เร็ว